ต น, นเองด้วยเคยไปนั่งหลับสมัยเรียนนั่งปุ๊บมีหูน้ำลายเต็มหมดเตือนมายัย่อโดยเองอีกทั้งๆที่นําลายตัดเองไแล้หลุดลงตรงถูกโซฟ้าเต็มไปไหลนอนอยังก็ได้มากน้ำลายก็ชอบไหลนะเลยปกติหนึ่งภรรยาก็ไม่น่าดูขึ้นเก่าก่อนเล่นเน็ตน้องอย่างนั้นเลยนะไอ้จอบก็โอ้โหหมดสภาพแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุให่ความเสียดายหูอย่างหลับตาหูยงังโยนลงน้ำไม่รู้หลบร่วมตรงไหนไป ก็เดินสวนทางกัแม่ยาไม่พูดไม่จาแล้วไปอาธีนาวะเห็นโทษนะเนะ่ตยตัวภรยาไอ้ไอ้แม่ยานคนมีปัญญาก็พิจารณาเป็นเพราะเหตุอะไรก็ามาก็ามาดูที่ประตูหนีไปบวชอีกแล้วเดี๋ยวก็กลับว่างั้นเจดครั้งแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไอ้ทั้งแม่ยายไอ้ทั้งแม่ตัวเองกันดูแล้วบอกครั้งนี้เห็นท่าไม่กลับเนะี่ยพอมาเห็นเห็นลูกสาวตัวเองนอนท่าเ น, นี้ยนะก็เลยบอกโออย่างงี้ไม่กลับเนะี่ย แล้วไม่กลับริงท่านได้มารู้เป็นพระานนี่นอนนอนแบบไม่ระมัดระวังแต่ก็ดีนะใครมีสามีก็นอนแบบนั้นก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่หนีไปบวชเป็นปจัจจัยก็ได้ไมรรู้ได้ใช่ไงมจ๊ะ <c oughs> เป็นอารมณ์หน้าปัจจัยทําให้ทำให้สามีบรรลุฮะใช่ถ้าทําได้กเลยกนน็น่าไปศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะคนที่เป็นวิญญาณกามคุณอันนี้ไม่น่าดูแล้วก็น้อนไปหากามคุณใหม่ เพราะเขาไม่ได้มีปัญญาสูงขนาดนั้นก็เลยต้องหลอกกันไปก่อนทพันก็เลยหลอกว่าของ <c oughs> ไม่ดีก็หลอกใหกก้มองว่าดีไว้ก่อน <c oughs> คือตรงนี้นะเรื่องจิตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยาบทนั่งที่บอกว่าถ้านั่งแล้วแบบสับสงบใช่ไหมตอนนั้นมียาบวนั่งไหมนั่งฟังไปด้วยนี่แหละแล้วสปปับสงบนึกนึกไปตามระยะตามอะไรอ่ะอะตอนนั้นมียาบวนั่งไหมมีบ้างไม่มีบ้างต้องบอกนะ เขารู้สึกเป็นระยะระยะนะไม่ใช่ไม่รู้นะไอ้ระยะที่หมดความรู้สึกไปตอนนั้นก็ไม่ทำยาบทแต่ก็ไม่ถึงขนาดใช่ไหมบางครั้งก็รู้สึกไม่ต่างอะไรสมมติเราเปิดเทสทมามะาไว้อเปิดเทสทา ก, ก็ไว้่านอนฟังดีกว่าสมมติเนี้ยนะมันมันจะว่าหลับก็ไม่ใช่มันก็เดีวก็ตื่นมาฟังเดี๋ยวก็อย่างเงี้ยไอ้ตอนที่หลับไปก็ไม่มียาบทอ่ะแต่ถ้าตื่น รู้สึก ข, ขึ้นมาก็เอียบวดก็มีเงี้ยก็ก็ให้ให้เข้าใจอย่างนั้นทีนี้ประการต่อมาคือว่าพวกมนโนทวารวันชนาจิตเออพวกอกุศลจิตพวกมหาอากุศลลจิตเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะจิตเหล่าเนี้ยทําทั้งเอียบวดทาทั้งวิญยัตแล้วก็ทํารูปให้เกิดให้เข้าใจอย่างนี้นอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าย่องยำรูปให้ตั้งขึ้นก็ยังยาบวดให้ตั้งมั่นก็ยังวินยัตที่รูปสองไม่เกิดเป็นต้นด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าถ้ากลุ่มนี้นะ กบหนึ่งมโนทวารละชนะถ้าใครยังไม่ได้ศึกษามีทําก็ไม่เป็นไรนะฟังเป็นอัตยาัยเข้าไว้ข้างเท้าฟังยังได้เป็นลู้ทําในนาคตได้ใช่ไหมพวกเราเป็นมนุษย์ฟังเป็นอัตยาสัยเข้าไว้ก็เป็นปัจจัยการแทงตลอดสัจจะในนาคตได้มโนทวารละชนะหนึ่งกามมชเาหนะายี่สิบเก้าแล้วก็พิญญาสองรวมเป็นเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งบวกยี่บเก้าบวกสองเป็นสามสิบอใช่ไหยรู้จํานวนก็นถือว่าได้บุญนะถ้าข้างเท้าฟังนับไม่ได้นับเรียงกนับไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหม มันโลคืออะไรก็เดี๋ยวก็ไปรู้กันมตัวอวชนะทางมโนทวารเนี่ยแล้วก็พวกโลอักษศ ล, ละเจสิบสองก็โลภาพแปดทศสาสองโมหาสองอีสิบสองมหาอักษลอีกแปดเป็นเท่าไหร่แปดกับสิบสองเป็นยี่สิบมหากริยาอีกแปดเป็นเท่าไหร่ 8, เป็นยี่บแอะไรมันโอีกหนึ่งเป็นยีิบเกาอภินายนสองเป็นสามสิบสองเนี่ยสามสิบสองเนี่ยในสามสิบสองดวงเนี่ย เราเรียกว่า <his> ย <tongue. S 2> ่อมย่อมยังรูปให้ตั้งขึ้นได้คือว่าเวลาจิตเหล่านี้เกิดขึ้นมาปุบกระทารูปกระทําให้ตั้งขึ้นได้แล้วก็ทําอียาบทให้ตั้งขึ้นได้เช่นเอียาบทยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเดินบ้างให้ตั้งขึ้นแล้วก็ทําวินญัตถ้าไม่มีวิญยัตนะการขยับขยี้นไม่ได้ไอการเคลื่อนไหวกายก็เรียกากายวิญยัตเคลื่อนไหววาจาเขาเรียกว่าจีวิญยัณถ้ามีแต่วิญยัตอย่างเดียวไม่มีวาโยธาเคลื่อนไม่ได้เลย ทีนี้ถ้าหากว่ามีแต่วายโยธาไม่มีพวกรูปกรลาบทั้งหลายเอาก็ไม่มีตัวเคลื่อนแล้วมันเหมือนอย่างนี้นะอย่างยกตัวอย่างชิดแว่นเนี่ยยกแว่นออกมาแล้วแว่นหลุดเลยนี่แว่นเนี่ยแว่นปกติอยู่เฉยๆอย่งี้นะนี่นะนนะแต่ถ้าหากว่ามีคนมาจับไปปุ๊บมันเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมเคลื่อนที่ได้ทีนี้อาการเคลื่อนเนี่ยเขาเรียกเป็นวิญญาต์ถ้าเคลื่อนกายเคลื่อนไปเขาเรียกกายะวิญญาต ถ้าวาจาขยับเยื้อนเคลื่อนก็เรียกว่วจีวินยัตเนี่ยแท้ที่จริงก็คือกลุ่มของรูปธรรมที่มันมีการไหวได้เองเช่นเขาเรียกกลุ่มนิพพานนโลูกอะ่ะมันไหวได้เขาเรียกว่ายกตัวอย่างมือเนี่ยแขนอยู่เฉยๆยเนี่ยนะแขนที่อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเคลื่อนไม่ได้ใช่ไมเนี่ยหนึ่งพอมีจิตคิดไอจิตแต่ชวาวโยธาก็พัดผันทําให้กระหลบ เป็นไปประมาณมากในในกราชียร์คือเ่าเข้ามาไปที่ถ้าไม่มีวิญญาณเขามีความเบาความอ่อนความควรแล้วก็มีกายวิญญาณมันกะยกมือได้ใช่ไหมถ้ามีวิญญาณจริงแต่มันไม่มีความเบาความอ่อนความควรเนี่ยบางคนเป็นอามาพึ่งเอามาาดโอ้ยลำบากยกก็ยากเห็นไหมมันมีอะไรอีกเยอะกระจัยต่างๆเหล่านี้โดยสรุปก็คือว่าจิตเนี่ยสมุทฐานสําคัญคือจิตใช่ไหมจิตนั้นทํำียาบทที่32มส้ทําอ่ยาบททํารูปแล้วก็ทำวิญญาณ แต่มันมีจิตอีกประเภทหนึ่งนะเขาเรียกว่าจิตยี่สิบหกดวงเนี่ยได้กแก่อะไรบ้างอ่ะพวกมหาคตาภูสนพวกมหาคตาภูสนนี่นะพวกรูปาวัจจลกุศลสห้าอรูปาวัจจะลกษภสี่รูปาวจรลกิริยาห้าอรูปาวจรลกิริยาสี่ส 5, สส 5, สเท่าไหร่แต่เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแล้วก็บวกโลกุตระอีกแปดเป็นเท่าไหร่ยี่สิบหกนี่เขาเรียกอัปปนาโชนะยี่สิบหกรูปเหล่านี้ทำรูป ทำรูปและทํำียาบทให้เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถไม่ทําวิญญาตฉะนั้นเวลาคนเข้าสมาบัตินี่นะยกตัวอย่างเช่นว่าจิตเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปนาสมาธิเป็นฌานเลยนะอธิบายเ ส, ยส็เสร็จจบสมมติไดฌานนะพอฌานนะาาจิตเกิดขึ้นปุ๊บเดี๋ยวเขาอัปนาจิตเกิดขึ้นในยมตล้นั้นเนี่ยตอนนั้นนะอนน่ะียาบทตั้งมันและรูปกระลาเก็เกิดขึ้นแต่ไม่เคลื่อนไหวฉะนั้นไอ้รูปยี่สิบจิตยี่สิดวงเนี่ยเขาทํำียาบทและทํารูปให้เกิดแต่ไม่ทําวิญญาต นั้นถ้าคนเข้าสมาบัตแล้วยังมีการเคลื่อนไหวคนคนนั้นโกหกแล้วเป็นไปไม่ได้ถ้าเข้าสมาบัตต้้มนิ่งยืนได้ไม่ได้นั่งได้ไม่ได้นอนได้ไหมได้แต่เดินไม่ได้เพราะไม่ทำยาบดิไงนะเออไม่ทําบิณยัตถ์ถ้านอนเข้าสมาบัตได้ไม่ได้เอาใครดูตัวอย่างหน่อยสิพระพุทธเจ้าไยตอนจะบลีนิฟานนอนไหมนอนเข้าสมาบัตไง น, นั่งเยอะแยะยืนก็เยอะแยะนั้ยืนก็นิ่งนะไม่ไม่เคลื่อนไหว ยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนะ่ะบางองค์บางท่านยืนเป็นวันนะ่ะยืนได้อย่างเราเนะี่ยยืนไม่ต้องวันลอกสามสิบนาทีก็จะอ้วกแล้วยืนไม่ไหวใช่ไหมฮงเมื่อยแต่ถ้าถ้าเข้าสมาบัตนะยืนเป็นวันกรนะดัะเพราะอะไรรู้ไหมมหาธาตุจิตหรืออัปนาจิตเนี่ยมันจะทําให้ยาบดตั้งมัน่นแล้วไม่เมื่อยทาไมถึงไม่เมื่อยตัวสมาบัติท่านรักษารูกประกายหมดเลยตัวอะไร ปีติบ้างสุขบ้างอุเบกขาบ้างจะซึมซาบไปทั่วรัชกายถ้ายิ่งปีติด้วยนะเย็นซานไปตามกายคุณเลยมีความสุขมากพูดแล้วอยากให้พวกเราได้สมาบัติกันน้เขาบอกว่าสุขที่เราเคยได้ในโลกนี้จะไปเทียบกับความสุขจากการเข้าสมาบัติไม่ไดคนเข้าสมาบัติเพียงห้านาทีเนี่ยดีกว่านอนแปดชั่วโมงห้านาทีนี่เนี่ยเข้าสมาบัติปบห้านาทีเนี่ย มีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นมากกว่านอนตายเพื่อโมองเอาไปเทียบไม่ได้ัแค่ห้า น, นาทีเนี่ยแค่พระพเจ้าเนี่ยเวลาจะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์เห็นไหมนอนน้อยอะไรน้อยเนะพระองค์เนี่ยเวลาพอพูด พ, พูดไปพระเวลาหยุด ป, ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีพระองค์เข้าสมาบัติแล้วไอตัวสมาบัติก็รักษารู ป, ปรกายใช่ไหมพอออกมาทำไมถึงพองไสซตลอดเวลาท่าคนมีสมาบัติเขาอยู่อย่างนั้นจะได้นะเราได้ได้แต่ระวังพระประตาตะลงระวัง หลงประวังตกปรวังอย่างเดียวถ้าอยากจะมีความสุขก็มีอย่างเดียวนอนนอนเขาไว้นอนเข <c oughs> าไว้สมามันไม่ได้สมาบัตดใช่ไหมเนย่ยก็เลยเอาปรวังมาเป็นเกยียรติเขามันมีสองมันมีสองสาเหตุหนึ่งบุญเก่าดีไหมสองความเพียรปัจจุบันนั่นต่อเนื่องหรึเปล่านี่ไหมถ้าบุญเก่าไม่ดีความเพียรปัจจุบันเนี่ยตํางบิตลอดไหมเราจะได้สมาบัตดวันนี้ เราจะได้สมาบัติวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยดั่มด่บ่อยๆก็ทําอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีโอกาสแต่สําคัญเราไม่คิดอย่างนี้เยเราจะมีวาสนาเลยเราจะมีวาสนาเลยถ้าคิดอย่างเงี้ยคนกลุ่มนี้บรรลุไม่น่ะนักปฏิบัติธรรมเขาไม่คิดแบบนี้นะเขาไม่ได้คิดว่าโอ้ยเราไม่ไหวแล้วแก่แล้วโอ้ยเราไม่ไหวแล้วเราป่วยโอ้ยเราไม่ไหวสมองไม่ดีถ้าคิดอย่างเงี้ยไม่นด้ในภาษาสนานี้เราต้องทำได้เราต้องทําได้และเราจะได้เร็วๆนี่แหละ แล้วเราจะได้แล้วเดี๋ยวงามจริงๆต้นไม้นั่นน่ยเดี๋ยวก็เหี่ยวตายแน่เดี๋ยวก็เหี่ยวตายแน่เดี๋ยวลองรดน้ําทุกวันลองพูดยินน้กวันหนวันเหี่ยวตายยิ่งต้นไม้นั่นอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจริงนะลองไปทวงดูที่เจอหน้าใครก็อสงสัยเองใกล้ตายแล้วมั้งนี่ยทุกครั้งเห็นก็ใกล้ตายแล้วเนี่ยดูหน้าซีดๆใกล้ตายแล้วดูหน้าซีดๆแล้วพอาล้ตายนี่มันแปลกจริงนะใช่ไหมไอ้คิดเลยคือเป็น อุปจาระบางแห่งก็จัดไว้เป็นชานะแต่เป็นเป็นปริษชานไปชานที่มีอนุภาพน้อยตรงนี้ก็คือว่าอับอบ อ, บ อ, อบนาชาวนานี่นะดังที่ได้กล่าวแม้ตรงนี้ ตรงนี้พอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมเกี่ยวเรื่องจิตต้องสัมพันธ์นกันกับรูปธรรมยังไงตรงนี้กด็ดูเป็นความรู้หน่อยนะอย่างกลุ่มจิตแต่ชัรูปสามันเนี่ยจิตแต่ชัรูปสามมันก็แปลว่าในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนหรือหลับแเรงต่างอะไรเงี้ยรูปธรรมก็เกิดขึ้นเป็นไปอยู่เพราะอำนาจของจิตเกิดขึ้นก็ยังรูปกราบนะั้นเกิดขึ้นเป็นไปอยู่นั่นไม่เกี่ยวกับการทำมียาบทนี่จิตแต่ชั่วรูปที่เกี่ยวกับหัวเราะบาคนเราเนี่ยหัวเราได้จิตสิสามดวงนะหนึ่งหัวเราะด้วยโสมสมล สหัวล้อได้มหากุศลสมมนาสีแล้วก็มหากริยาสมมนาสีแล้วก็พวกห้าสีเนี่ยก็รวม13ดวงเนี่ยแต่ถ้าพระอรหันต์ก็หัวล er world, oh 4, 4, 4, are, ed, well ้อด้วยมหาคิยาสมมนาสีแล้วก็ห้าสี่พระอรหันต์หัวล้อได้จิต5ดวงใช่ไหมถ้าอย่างปุถุชนอย่างเราหัวล้อได้จิต8ดวงหัวล้อด้โลภะกับหัวล้อด้วยกุศลก็ลองไปคิดดูนะชีวิตประจําวันของเราที่เราหัวล้อกันแต่ละครั้งเนี่ยเดิมากหัวล้อด้กุศลจิตหรืออกุศลจิตถ้าเห็นคนเดินเดินเดินไปแล้วหกล้ แล้วก็หัวลอ้ออันนี้อกุศลยัดเลยใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็เคยชินกันอย่างเงี้ยเคยชินที่ใช้ใช้อกุศลเป็นตัวเป็นตัวขับเคลื่อนในการหัวลอ้อถ้าร้ อ, รสสองไห้ก็ฉั้นถ้าร้องไห้ก็จิตสองดวงไนคือโทสะสองฉะนั้นแต่คนร้องไห้เนี่ยก็รู้เลยว่าบัดนี้โทสะเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเป็นอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นนะบางคนเนี่ยไม่เคยมีใครกล่า ว, วอวยพรเลยสมมตุติแล้วเราก็หวังว่าคนคนนี้จะกล่าวให้พรเราสักครั้งนึ่ง จะพูดดีๆกับเราสักครั้งลอ้อมาจนสิบปียี่สิบปีต่อมาคนวันนี้มาพูดดีกับเราจริงเราก็ที่แรกก็เป็นพิธีนะน่ะเขาร้องไห้ไอ้ที่มาร้องไห้ที่หลังบางทีเป็นข้อโทสะก็ได้นะคิดโอ้โหว่ากวจะได้คํานี้มาเจ็บแย่เนี่ยคิดอย่างเงี้ยที่กลายเป็นโทสะอีกที่จะพิจารณาเนะ่ผู้รู้ก็สามารถที่จะไข้ควรได้เร็วได้ทันหน่อยส่วนที่การเคลื่อนไหวยาบทก็ดังที่ได้กล่าวละสามจุดสองคือมโนหนึ่ง ม, มหากุศลเอออ่า ตามไมชนะยี่บเก้าแล้วก็พิญยาถ้าทํามียาบทตั้งมั่นก็ยี่สิบหกทังที่ได้กล่าวเนี่ยอปินาชนะอันนี้ก็อันนี้ก็ผ่านไปอภิการต่อไปก็คือต่อนะต่อในแรกในแรกยังไม่จบประการต่อไปก็คือ อ, นะ อ, อ, ค อ, อุปมาแต่เนี้ยการยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นต้นเหล่านี้นะเขาบอกว่าจิตเกิดขึ้นว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปเบเสร็จเนะ่ย ถ้าจิตเกิดขึ้นว่าเราจะนอนจิตก็ย่อมยังวาโยให้เกิดวาโยก็ย่อมยังวิญญาตให้เกิดการเหยียดออกไปตามทางขวางของสรีระทั้งสิ้นแล้วการแผ่ขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากการกระทําของจิตเรียกว่านอนใช่ไหมเรียกว่านอนแล้วตอนนั้น่ใช่นเวลาเราจะนอนเนี่ยเกิดขึ้นอ่ะจิตคิดจะนอนใช่ไหมเวลาจิตเกิดขึ้นปุ๊บจิตเป็นปัจจัยแก่วาโยวาโยก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณกาย กลายเป็นไปในสรีระทั้งสิ้นก็แผ่ขยายไปเนียแผ่ขยายวายโยธา ท, ที่เกิดจากการกระทำของจิตการเหยียดออกไปตามขวางก็เกิดขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ตั้งอย่างนี้นะเป็นไปตามขวางนะเรียกว่านอน <c oughs> ทีนี้โกคัตชติกัสสะขามนังคำว่าโกคัตชติที่บอกว่าใครเดินกัสสะขามนังว่าการเดินมีของใครเป็นต้นหรือเนี้ย ท่านบอกว่าให้รู้ชัดด้วยนามรูปปริเฉทญาณถ้าบอกว่ารู้ว่าใครเดินการเดินของใครใครนั่งการนั่งเป็นของใครใครนอนการนอนเป็นของใครใครยืนการยืนเป็นของใครเนี่ยต้องรู้ด้วยนามรูปปริเฉทญาณต้องรู้ด้วยทิฏฐิวิสุทธิเพราะการรู้ตรงนเนี้นะในสองคำถามนเนี่ยนะคำถามที่หนึ่งกับคำถามที่สองเนี่ยต้องรู้ว่านั้นเป็นรูปธปรรม เท่านั้นที่กําลังยืนกําลังเดินกําลังนอนเป็นกิริยาของรูปธรรมเท่านั้นเดีเป็นกิริย า, าการเดินของรูปกายหรือรูปธรรมเท่านั้นที่กําลังยืนกําลังเดินกํ <cả denominator. S 1> าลังนั่งกําลังนอนอัา น, นเป็นรูปใช่ไหมและก็จิตใช่ไหมที่มีการยืนการเดินการนั่งการนอนได้เพราะมีจิตที่คิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนใช่ไหมสรุปก็คือมีนามกับรูปเท่นั้นที่กําลังยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเนี้ยฝ่ายยืนเดินนั่งนอนเป็นรูปฝ่ายจิตนั้นเป็นกลุ่มที่คิดจะยืนเดินนั่งนอน ก็สามารถแยกชัดได้วันนี้กลุ่มรูป น, นี่กลุ่มน้ำํำฉะนั้นท่านยิงบอกว่าสองคำถามเนี่ยในยาบททั้งสี่เนี่ยใครยืนการยืนของใครใครเดินการเดินของใครใครนั่งการนั่งของใครใครนอนการนอนของใครเนี่ยสี่คำถามในออสองคําถามในสี่ยาบทเนี่ยต้องรู้ชัดด้วยนามรูปปริเชษทายาเข้าใจคํานี้ไหมต้องรู้ชัดด้วยทิฏฐิวิสุทธิ ถึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญกรรมฐานถ้าไม่รู้ชัดด้วยทิฏฐิวิสุทธิหรือด้วยนํารูปปริเฉทญาณแล้วไม่เรียกว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานภาวนาเลยฉะนั้นคําถามที่อาจารยาท่านถามมาเนี่ยในแรกเนี่ยไม่ใช่ท่านถามมาลอยๆนะถามเพื่อต้องการให้เรากําหนดรู้ด้วยนามรูปปริเฉทญาณให้แยกกันส่วนให้อ้ อ, อกกันส่วนจิตที่คิดจะเยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นน้ํานะ ่หจิตที่คิดจะยืนจิตที่คิดจะเดินจิตที่คิดจะนั่งจิตที่คิดจะนอนนี่เป็นนามเนืส่วนรู ป, ปกายที่ยืนรู ป, ปกายที่นั่งรู ป, ปกายที่นอนรู ป, ปกายที่เดินอันนี้เป็นอะไรเป็นรูปถ้าแยกรูปแยกนามอย่างนี้ได้เข้าใจชัดอย่างนี้ได้อันนี้เป็นนามรูปปริเฉทธิ์ยังเป็นคิดถี่วิสุทธิความเห็นนี้บริสุทธิ์หรือยังความเห็นนี้บริสุทธิ์หรือยังถ้าเห็นแบบนี้เขาเรียกว่าเห็นบริสุทธิ์แล้ว เอาทำไมจึงเรียกว่าเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์เอาทำไมจึงเรียกว่าความเห็นที่บริสุทธิ์เพราะความเห็นเนี้ยแยกคําว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนออกได้ใช่ไหมแล้วแยกคําว่าสัตว์ยืนสัตว์เดินสัตว์นั่งสัตว์นอนออกได้เลยแยกหญิงชายยืนเดินนั่งนอนออกได้เพราะไม่สําคัญว่าเป็นสัตว์ยืนสัตว์เดินและสัตว์นั่งสัตว์นอนเป็นต้นแล้ว เห็นแต่เพียงว่ารูปประทับเท่านั้นที่กําลังยืนกําลังเดิน<ๆ>กําลังนั่งกําล<ๆ>ังนอนแล้วเห็นว่าจิตเท่านั้นที่คนที่จะยืนเดินนั่งนอนได้เพราะมีจิตกับมีรูปเท่านั้นแหละแยกอย่างนี้ชัดเจนได้เขาจึงบอกให้รู้ชัดด้วยนามรูปปริกเทญ า, านรู้ชัดด้วยทิฏฐิวิสุธทธิใช่ไหมที่สองคำถามเนี่ยส่วนคําถามที่สามยิงกาฬนาทัชติมีแปลว่าอะไรเนี่ยเดินได้เพราะเหตุใช่ไหมเดินได้เพราะเหตุอะไร หรือเหตุเดินได้ว่าเหตุเหตุอะไรเหตุใดอะถามตรงๆว่าเ้าคุณเนี่ยเดินได้ว่าเหตุอะไรคุณถึงเดินได้เอากระเช้านี่เป็นเอาผพาที่ก็เดินได้อันนี้ตอบยื่ตอบอย่างโรคอันนี้ไม่เป็นกรรมฐานใช่ไหมถ้าถามเนี่ยเอ้าทําไมคุณเดินมาได้แล้วไอ้คําถามนี่เราเจอคําถามที่บ่อยนะเอะวันนี้ลมอะไรนะพักให้เดินไม่ได้ถึงบ้านเราตอบว่าไงคตอบยังไงสมกับเป็นนักเรียนสติปัฏฐานต่นี้กลับไปตอบใหม่ใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าเออวันนี้ลมอะไรนะพัด ให้มาถึงบ้านได้เราก็บอก อ, อ๋อหนึ่งเพราะจิตคิดสองวายโยธาทัดถันไปในกระด้างกายนะยังไเพราะจิตไหมเพราะจิตคิดว่าแล้วก็ตอบเขาเราอ๋อที่สามารถพัดมาตรงนี้ได้ก็ลมภายในนะั่นแหละพัดมาใช่ไหมเพราะจิตคิดว่าเราจะมาเยี่ยมคุณเนี่ยจิตนั้นก็ทำวายโยธาใช่ไหมให้วายยาโยธาก็ยังลูปกราบในกระด้างกายให้เป็นไปใช่ไหมแล้ววายโยก็ทำวิญญาณ ให้เป็นใจก็ทำยาบทเดินก็กล่าวคือเอวิวะกล่าวคือขาก็มีการเดินเอวิวะทอนบนมีการโน้มมาข้างหน้าก็เลยเรียกว่าเดินมาก็เลยสําคัญว่าเราเนี่เดินมาแต่ที่จริงการเดินไม่มีเราเลยนะหนึ่งมีจิตคิดมีวายโยธาแล้วก็มียาบทเดินติ๊งต้นติน๊งไปฉะนั้นต้องจิงการนาพระจิเนี่ยต้องบอกว่า ต, ต้องรู้ชัดด้วยปัจจะยาปริหายานถามว่าเดินได้เพราะเหตุอะไรเนี่ยแปลว่าท่านถาม ถ, ามถึงปัจจัยของการเดิน ปัจจัยของการยืนปัจจัยของการนั่งปัจจัยของการนอนหรือถามถึงเหตุแห่งการยืนเหตุแห่งการเดินเหตุแห่งการนั่งเหตุแห่งการนอนเข้าใจใช่ไหมถามว่าเดินได้เพราะเหตุอะไรเนี่ยเดินได้เพราะปัจจัยอะไรต้องไปหาปัจจัยเขาด้วยเช่นสามารถเดินได้ยืนได้นั่งได้นอนได้เนี่ยเพราะเพราะอะไรเพราะมีจิตคิดถ้ามีจิตคิดอย่างเดียวถ้าไม่มีวาโยธาธาตุผันจิตเป็นตัวทำวายโยธาใช่ไหม จิตทำวายโยธาวายโยธาก็ยังรูปกะลาให้เกิดยังวิญญาตให้เกิดวิญญาตก็พอวิญญาตเกิดขึ้นมาก็อียบทเดินอียบวนั่งอียบวนอนก็เป็นไปอย่างเงี้ยถ้าถามถึงปัจจัยของการยืนเดินนั่งนอนตรงเนี้ยปัจจิยาปริฆ า, ายานจะเกิดในในในในคำถามเนี้ยเห็นไหมท่านสอนให้เจริญนามรูปปริเฉษทะยานแล้วก็ปัจจิยาปริฆ า, ายาณต่อไปก็ถึงเป็นสัมมสนญญา เ, เป็นต้นเนี่ยเป็นไปตามลําดับอย่างนี้ ถ้าไม่รู้ปัใจจัยใช่ไหม ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าจิตที่คิดจะเดินเกิดขึ้นวาโยธาแล้วก็วิญญาติยักเยืะบปดเดินเป็นต้นเป็นไปที่จริงถามว่าทุกอย่างตัวจะปัจจัยปวดไหมใช่ดังที่ได้กล่าวว่าจิตที่คิดจะเดินเนี่ยต้องมีปัจจัยไหมมีใช่ไหมปารลบรูปอารมณ์ก็เนี่ยปารลบศรัทธารมการารมรักษารมโผดทะพารมหรือธรรมอารมณ์เป็นต้นก็เป็นปัจจัยการยืนเดินนั่งนอนตรงนี้ท่านเจ้อุปมาอย่างนี้นะว่า ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดทีว่าถามด้วยอํานาจว่าภาวะของการเดินเป็นต้นเพราะการแผ่ขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากการกระทําของจิตของเธอผู้รู้อยู่ผู้มีความเห็นอยู่อย่างนี้ด้วยอํานาจของมิจฉาพินิเวสะบอกว่าถ้าคนที่เป็นมิจฉาพินิเวสะเนี่ยพทุทธิยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิดหรือมีความเข้าใจที่ผิดเนี่ยนะเขาจะมีความสําคัญว่าสัตว์เดินอยู่สัตว์ยืนอยู่ เขาจะมีความเข้าใจอย่างเนี้เพราะเขามีมิจฉาพิเิเวสะภาวะการเดินเป็นต้นนั้นจริงๆแล้วเพราะการแผ่ขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากการกระทําของจิตของเธอผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นแท้ทีจริงเนี่ยบอกว่าสภาวธรรมเขาเป็นของเขาอยู่อย่างไงโยู่หนึ่งก็มีจิตสองมีวาโยธาสามียาบทมีเดินนั่งนอนมีรูปธรรมมีนามธรรมเป็นไปของเขาอยู่เนี่ยแต่ด้วยความที่เรารู้อยู่เห็นอยู่ด้วยด้วยมิจฉาพิเิเวสะคือด้วยความรู้ผิด ด้วยความดำหลผิดเราดำหลีว่ามีสัตว์ยืนสัตว์เดินสัตว์นั่งสัตว์นอนอยู่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็มีความสําคัญว่าหญิงเดินชายเดินเป็นต้นอะไรเนี้ยนอนนั่งยืนก็ในธรรนองเดียวกันความเข้าใจผิดของสัตว์โลกเป็นไปอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้ท่านจึงเรียกว่าฉะนั้นถ้าจะให้ความเห็นนั้นถูกต้องถามด้วยหน้าถึงเป็นญาของตวนว่าก็สัตว์สักหน่อยหนึ่งเดินหรือยืนอยู่มีหรื อ, มรอไม่ใช่หรการเดินอยู่เนี้ย ม, มีมีสัตว์ มีบุคคลมีหญิงมีชายอยู่แม้สักหน่อยหนึ่งไหมถามตัวเองอย่างนั้นให้กําหนดให้ให้สายใจยืนอย่างนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าตอบด้วยอํานาจของปัญญาก็ต้องตอบว่าไม่มีอยู่ท่านยิ้งอุปมาอย่างนี้ว่าเควียนไปเกวียนหยุดเห็นไหมดูในกระตาคเกวียนไปเควียนหยุดชื่อว่าเกวียนเควียนไปเควียนหยุดสักหน่อยหนึ่งหามไม่มีเขาอุปมาเกวียนถ้าปัจจุบันนีปัจจุบันนอุปมาลดถ้าสมัยอดีตก็ต้องอุปมาเกวียน แต่ว่านายสรารถีผู้ฉลาดรู้จักนายสรารถีไหยคนขับเกวียนเนี่ยเขาเรียกนายสรารถีเทียมโคสี่ตัวขับไปย่อมมีโวหารบอกเกวียนไปหรือเกวียนหยุดชั้นใดกายอุปมาเหมือนเกวียนเพราะอัตวาไม่รู้ลมที่เกิดจากจิตอุปมาเหมือนโคทั้งหลายโคสี่ตัวใช่ไหมสมัยก่อนเขาใช้โคสีตัวเทียมเกวียนเนี่ยจิตอุปมาเหมือนนายสรารถีมองเห็นไหม เวีนเหมือนกายโคเหมือนลมในสารถีเหมือนจิตทีนี้เมื่อจิตเกิดขึ้นว่าเราจะเดินเราจะยืนเราจะนั่งเราจะนอนเนี่ยวายโยท่าที่ยังวิญญาณให้เกิดย่อมเกิดขึ้นกิริยาทั้งหลายมีการยืนการเดินเป็นต้นก็ย่อมเป็นไปเพราะการแผ่ขยายไปของวายโยท่าที่เกิดจากการกระทําของจิตเพราะฉะนั้นจึงมีวัวหานว่าสัตยืนสัตเดินสัตวนั่งสัตนอนฉะนั้นเหมือนกันด้วยเหตุนั้นเนะนะตรงนี้ท่านถึงพารณาคถาไว้บอกว่า เรือย่อมแล่นไปเพราะกําลังของลมใช่ไหมเรือลูกธนูแล่นไปเพราะกําลังของสายฉันใดรู ป, ปรกายนี้ย่อมเดินไปได้ย่อมเดินได้ย่อมนั่งได้ย่อมนอนได้ไเพราะการนําไปของลมว่าเชนนั้นแม้สรีระยนคือกายเนี้ยเขาเรียกสรีระยนเนี่ที่ประกอบไปด้วยอะไรจากสี่ทวารเก้าจากสี่ก็คือดินน้ําไฟลม ดินน้ำไปลมที่หมุนไปตามอายะบทสิดินน้ำไปลมที่หมุนไปตอนนี้ดินน้ำไปลมหมุนหมุนไปในยาบทไหนนั่งอยู่ใช่ไหมเดี๋ยดินน้ำไปลมก็ลัหมุนหมุนไปอยู่ในยาบทนั่งเดี๋ยวก็หมุนไปในยาบทเดินพอเมื่อยหน่อยเดออกไปเดินแล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็เมื่อไรจะสามโมงกจะได้พักเดี๋ยวให้หมุนหมุนไปไปหมุนเดินเดินไปกินแล้วย่องรออยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ เดี๋ยวพอตอนเย็นๆก็จะหมุนไปนอนหมุนไปยืนใช่ไหมจักสี่ก็คือดินน้ำไฟลมที่มันหมุนไปตามเอียบวดเสียเวลาในขณะที่จักสี่มันหมุนไปนี่หมุนไปในขณะนั่งก็ดีขณะยืนก็ดีขณะเดินก็ดีขณะนอนก็ดีทวารก้าวก็ไปด้วยตาก็ไปด้วยหูก็ไปด้วยจมูกก็ไปด้วยปากก็ไปด้วยทวารหน้าทวารบาก็ไปด้วยถ้าดูอย่างนี้ความเป็นศาสตว์บุคคลมันเริ่มออกไปยิงนะ จากสี่สวนันครับที่หมุนไปเนี่ยยอ่อมยืนย่อมเดินย่อมนั่งย่อมนอนด้วยสายชักคือจิต <S S S เหมือนหุ่นยนต์ไหมหุ่นยนต์ย่อมเดินยืนนั่งได้ด้วยอำนาจของสายชักในโลกนี้เว้นเสียเหตุปัจจัยมีวาโยธาตเป็นต้นที่จิตปรารถนาจะไปเป็นสมุทฐานนั้นสัตว์นั้นชื่อว่าใครกันพึงยืนถ้าว่าพึงเดินด้วยอนุภาพของตนเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านบอยพระโยคาวจรเนี่ยนะนักปฏิบัติเนี่ยต้องกําหนดอยู่ซึ่งเอยาบททั้งหลาย มีการยืนการเดินการนั่งการนอนที่เป็นไปด้วยหน้าของเหตุและปัจจัยเท่านั้นอย่างนี้ว่าพึงทราบว่าเมื่อเดินย่อมรู้ชัดว่าเดินเมื่อยืนย่อมรู้ชัดว่ายืนเมื่อนั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่ายืนเดินนั่งนอนเป็นต้นอะไรนี้ท่านให้รู้ชั ด, ด, นนาาชดใช่ไเนี่ยจบตรง น, นี้ในหนึ่งในที่หนึ่งท่านเอายาบทขึ้นมาเป็นประธานเอายาบทขึ้นมาเป็นประธานแต่ให้รู้ ดินน้ำไปลมที่มันหมุนไปตามมียาบทนั้นนะนั่งอยู่เนี้ยดินน้ำไปลมมันหมุนอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดดับตลอดเวลาไหมเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวเราไม่รู้ตอนนี้หมุนไปเรื่อยๆนี่นี่ไหนหนึ่งนี่ก็ปฐมในปสมไนยะต่อไปในที่สองขึ้นคําว่ายะถาวาเห็นอย่างเห็นอย่างในที่สองบาลีเห็นยังนั่นแหละยะถายาถาวาปะนะสากาย ο, ปนะปนะปนิยโทโหติ ตาถาตาานางประชานาติอันนี้คือในสองในแรกจบไปแล้วในที่สองไม่รู้ในสองอยู่ไหนไม่รู้รเขาไม่ได้เขียนไว้ด้วยเนี่ยดูแล้วดูให้หน้ า, นาที่ทลาดแต่ยี่สิบสามน่ะขึ้นบาเรียนั่นแหละยะถายะถาวาปนัสสะอธิบายบทว่าอันเเธอตั้งกายไว้ด้วยประการใดก็รู้ชัดกายนั้นน่ะเธอตั้งกายกายในที่นี้เป็นในที่สองกายศัพท์เนี้ยกายยศัพท์เนี้ยเป็นในยะที่สอง มาจากพุทธพจน์ไงพุทฉพจน์ที่อ่านนี่แม้มาไม่ทันบางคนมาไม่ทันนะย้อนพุทธพจน์ให้ดูที่ศึกษาลำบากตรงเนี้ยศึกษาพลิกไปพลิกมาจะเล่มสือจะขาดหมดเทีจริงถ้าสมัยก่อนท่านศึกษากันรอบเดียวท่านจบไปแนละ้วมายุคนี้เป็นอย่างเนี้ยอย่แปลกใจเลยพุทธพจน์ที่บ่าคุณน่าจาปาะประลังพิเกเวพิขุนนั่นแหละอียบบทบับนั่นแหละย่อรู้ชัดซึ่งกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นนะ่ะย่อมรู้ชัดซึ่งกายนั้นนะ่ะท่านก็เลยมาขยายในะอากถาในหน้าที่ หน้าที่ยี่สบสามเนี่ยพุทธพจ อ, อยู่หน้าเจดนู้นเน่ยอย่าเพิ่งไปเปิดดูเลยถ้าเปิดถ้าเปิดได้ก็ดีนะถ <c oughs> ้เป็นการศึกษา <c oughs> ใช่ไหมหน้าแปดสหน้าแปดเนี่ยกายมีอยู่อ่ะเห็ น, นยังสติของเธอเธอตั้งกายไว้นะตั้งกายไว้ก็ได้นั่นแหละเธอตั้งกายไว้นั่นแหละบรรทัดที่สนัดจากข้างบนลงมาหรือหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยประการใดๆก็รู้ชัดอาการนั้นๆนั้ น, นกายในยที่นี้เป็นในที่สอง ใช่ไหมเป็นในที่สองแล้วอย่างเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเนี่ยในข้อที่ร้อยสาอันนั้นเป็นเป็นในที่หนึ่งอันนี้เรามามาศึกษาในที่สองอ ธ, ธิบายบทว่าเธอตั้งกายไว้ด้วยประการอย่างใดก็รู้ชัดกายนั้นด้วยประการอย่างนั้นคําทั้งหลายที่ว่ายะถายถาวาปนัสสกาโยปนิหโตโหติ สถานสถานนงประชาชนนติก็หรือว่ากายของเธอตั้งไว้โดยประการใดๆย่อมรู้ชัดซึ่งกายนั้นโดยประการนั้นๆ น, น, นี้เป็นพระวจนะที่แสดงสงอเคราะห์ียาบททั้งสี่ทั้งหมดเลยนะมีสงเคราะห์ทั้งหมดเลยคําอธิบายก็มีอยู่ว่าโรคประกายของเธอดํารงอยู่โดยประการใดประการใดๆเนี่ยนะหมายความว่า รูปของเธอเนี่ยดำลงอยู่โดยประการใดๆหมายความว่ารูปประกายของเธอดำลงอยู่โดยประการนั่งใช่ไหมก็ให้รู้ชัดว่าตอนนี้รูปประกายดำลงอยู่ในการนั่งถ้ารูปประกายของเธอดำลงอยู่ในอาการที่นอนก็ให้รู้ชัดว่าตอนนี้รูปประกายนั้นดำลงอยู่ในการนอนไม่ใช่สัตว์นะรูปประกายของเธอดำลงอยู่ในการยืนก็เห็รู้ชัดว่าตอนเนี้ยรูปประกายกําลังดำลงอยู่ในการยืนรูปประกายดำลงอยู่ในการเดินก็เห็รู้ชัดว่าตอนนี้รูปประกายกําลังดำลงอยู่ในการ เดินใช่ไหให้รู้ชัดอย่างนั้นพระประมวลเนี่ยประมวลียาบทว่าเ้าเรียกว่าเป็นวั จ, จนะที่ส่งข้อยาบททั้งสี่ทั้งหมดเลยย่อมรู้ชัดรูปรกายเช่นลงอยู่โดยประการยืนประการเดินประการนั่งที่บอกว่าเธอย่อมรู้ชัดซึ่งกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นว่าย่อมรู้ชัดซึ่งรูปรกายที่ตะลงอยู่โดยอาการเดินว่ารูปรกายเดินอยู่เห็นไหมรูปรกายเดินอยู่ ย่อมรู้ชัด ซ, ซึ่งรูปกายที่ดำรงอยู่ด้วย ก, การยืนก็รู้ชัดว่ารูปกายยืนอยู่ใช่ไหมย่อมรู้ชัดซึ่งรูปกายที่กำลังนั่งว่าอาการนั่งว่ารูปกายนั่งอยู่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรนั่งรูปกายเนี่ย น, น, นั่งอยู่จะไบอกตอนนี้ตอนนี้ไม่มีชีไม่มีพระไม่มีโยมแล้วมีแต่รูปกายเท่านั้นนั่งอยู่ใช่ไหม ฉะนั้นถ้าจะมีใครเดินเดินมาแล้วเอารูปกระกายมาจับบนศีรษะรูปกระกายจะโกรธหรือเปล่าเ <c oughs> ออมันไม่มีสัตว์บุคคลยังจะมาโกรธอะไรกเลยใช่ไหมใช่ฮะบอกเอาถ้าเขามาถ้าเขาจะแกล้งเอาเอารูปกระกายมาเขารูปกระกายแรงๆเนี่ยแล้วเราจะว่ายอย่างไงสมมุติแล้วก็ใครกําหนดยังไงอ่ะอ๋อรูปกระกายกระทบรูปกระกาย ทีนี้พอกระทบแรงๆแล้วนามากายป็นโกรธอีกเนี่ยบังคับไม่ได้อีกนะก็เลยกระทบตอบพระบางคนเขาฉลาดอย่างก็กระทบตอบเอ๋อทําไมต้องมาไหนไปปฏิบัติแล้วทําไมมากระทบตอบเนะี่ยเาบอกอาโทสะ ก, ก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เพราะยุ่งเลยไฟยใหญ่มากเลยจิตอ๋อสีแล้ววิสุทธิจิตตวิสุทธิแปลว่าท่านบริบูรณ์แล้วเลยมาแล้วเลยยาเหล่านี้มาแล้ว คือนามารูปปริเฉระยานี้เป็นทิฏฐิวิสุทธิใช่เป็นทิฏฐิวิสุทธิเพราะว่าบุคคลที่จะเจริญหรือจะมาศึกษาหรือจะมาฟังสติปัฏฐานเยแปลว่าศีลก็ต้องบริสุทธิ์แล้วและจิตคําเขาก็ต้องต้องต้องปราศจากที่เลืออะไรน ะ, นระรยะถายาถาวาปนสาศาศากายโยปนีน อ, อ, อ๋อาานานนาการศักธรรมนั่งจะไม่กินกันละกินกันละเขาจะติโกคัจติใครเดินเป็นต้นเหล่านี้นะ อันนั้นหมายความว่าคือคือคือตรงเนี้ท่านถามว่าโกคจติหรือกัสสรขมนามเนี่ยการเดินของใครบอกใครเดินแล้วการเดินของใครอันนี้เข้าในนามรูปปริเทิฏฐานส่วนจิงการนาคจตินี่เป็นปัจจิยปริฆายานใช่ไหมเป็นปัจจิยาปริฆายานนะตรงนี้ที่บอกว่ารู ป, ปกายเดินอยู่รู ป, ปกายนั่งอยู่รู ป, ปกายนอนอยู่รู ป, ปกายยืนอยู่เป็นต้นบทว่า อิติอชิตังวาภายในบาลีท่านใช้คําว่าถ้าจะแปลอย่างนี้ไม่ยาบเนี่ยภายในสันดานแห่งตนของตนภายในสันดานแห่งตนก็คือว่าภายในกรราชกายของตนภายในขันธ์ของตนอย่างนี้ย่อมลุกย่อมอยู่บ้างความว่าเธอพิจารณาเห็นเนือ ง, งซึ่งกายในกายโดยกําหนดถืออรายบทสี่ของตนอย่างนี้ก็คือ การพิจารณากายในกายในยาบทยืนนยาบทดเดินนยาบทนั่งนยาบทนอนของตนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างนะหมายภายในเหมือนพิจารณายาบทรูปกายของตนที่กําลังยืนรูปกายของตนที่กําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนอันนี้เขาเรียกว่าอัดอชัดตังวาอีกทีอัจชัดตังวาบทว่าพระเหตทาวาภายนอก โดยการกําหนดเอียาบทสี่ของบุคคลอื่นเห็ไงไหว่าการเจริญบเอียบบทบาปเนี่ยไม่ใช่พิจารณาเอียาบทของตนเองเท่านั้นพิจารณาเอียาบทของบุคคลอื่นด้วยทําไมต้องไปพิจารณาเอียาบทของคนอื่นน่ะถามพิจารณาทําไมทําไมต้องไปใส่ใจเอียาบทของบุคคลอื่นว่าเห็นไหมบุคคลนี้กําลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินเนี่ยกำลังนอนก็ให้รูปว่ารูปก า, ายกําลังเนี้ย รูปกายของบุคคลอื่นกำลังยืนรูปกายของบุคคลอื่นกําลังนั่งก็ให้ใส่ใจว่านั่นรูปกายกําลังยืนรูปกายกําลังเดินรูปกายกําลังนั่งรูปกายกําลังนอนนด้วยทำไมต้องใส่ใจในพิธาด้วยในอารม์ภายนอกด้วยเพราะถามว่าอารมณ์ภายนอกเป็นปัจจัยเกิตัณหามะทิฏฐิในใจเราได้ไหม น, นั่นแหละถ้าเราไปเไม่กําหนดอารภายนอกก็จะเข้าใจผิดอีก ก็จะเป็นสำคัญว่าไอ้ที่เป็นรูปกายยืนเดินนั่งนอนก็เฉพาะโลกภายในเท่านั้นก็จะได้เห็นไปว่าท่วงไปในโลกใช่ไหมตลอดถึงในสังสารวัฏเนี่ยไม่มีสารบุคเพหรอกมีแต่รูปกายเป็นต้นเท่านั้นนั่นแหละมีแต่รูปประธรรมล้วนๆเท่านั้นที่กําลังยืนเดินนั่งนอนที่สมมุติว่ายืนเดินนั่งนอนหมุนไปตามอยาววดสีมีแต่ดินน้ําไฟลมเท่านั้นที่หมุนไปในอยาววดสีคือยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นโอ้แต่เห็นอย่างนี้ได้ดิ หมายมันลดอะไรไปได้เยอะเลยใช่ไหมใช่อัตราตัวตนมันเบาลงเยอะเลยใช่ไหมกลับไปนี่เราจะไปโมโหดินน้ำไปล้มได้ไหมเนี่ยจะไปโกรธทาไมใช่ไหมที่เราไปดูแลอยู่ทุกวันเนี่ยดูแลอะไรดูแลดินน้ำไปล้มใช่ไหมดูแลรู ป, ปกายเพราะก็มีจิตที่คิดจะยืนเดินนั่งนอนไหมก็าอาศัยว่าอะไรดินน้ำไปล้มไปดูแลดินน้ำไปลมใช่ไหมนั่งปร่งเลยตอนนี้ยโอ้ไม่มีอะไรเลย ยังอะไรอวรนไหมสมมติว่าดินน้ําไฟลมนี้จะดับสลายไปนะเดี๋ยวเนี้ยอะไรอวบนไ <c oughs> นี่เ น, น, นี้กรรมฐานไม่เดินกรรมฐานก็ไม่ได้โอ้โหให้กรรมฐานมาตั้งนานแล้วยังถอนไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นการให้กรรมฐานที่ยาวนานที่สุดใช่ไหม เออไม่มีใครมาเรียนกรรมฐานสมัยโบราณก็เรียนกรรมฐานก็ไม่นานแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้ต้องเรียนแบบเนี้ยเรียนกรรมฐานแบบพิสดารอย่างนี้เวลาต่อไปพอเรียนกันแล้วก็ต่างคนต่างไปแล้วไม่ต้องมีพันท่าอะไรก็เดีเห็นกายในกายเห็นกายในรูปกายก็คือว่าอียบทนี่เป็นกายกายหนึ่งในสี่สี่กายว่ะสี่บับใช่ไหมลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่ากายอียบดีก็เรียกว่ากายสัมปชัญญะก็เรียกว่ากาย ปฏิกุลมานสิการบาปก็เรียกว่ากายธาตุมานัสิกานบาปก็เรียกว่ากายป่าใชก้ากายรวมไปเสร็จสิบสี่กายใช่ไหมยกกายใดกายหนึ่งมากล่าวค็นั้นแหละเกายในกายกายตรงแรายที่ดู่เลเห็นกายในกายมันไม่ใช่มีกายซ้อนกายนะแต่ก่อนที่ซ้อนกันแบบนี้องงอาตมางงมาแล้วโอ้ยกายมีกายอยากกายะไรอย่างนออะไรเยคิดไปอย่างนั้นมันมีซ้อนกันอยู่นะอาตมาเข้าใจแบบนี้แหละ ก็แต่ก่อนเข้าใจว่ามาศึกษาอแต่เราโดนหลอกมาตั้งนั้นนี่ก็มีกายสอนใจจริงๆไม่ได้พิสดารอะไรใช่ไหมจ๊ะพระเจ้าสอนตรงๆนี่แหละนี่เขาเรียกว่ากายบุนคคลอื่นนั้นสําคัญมากเป็นอา ร, รมมณะปัจจัยจะตันหามนานะที่ติได้ถ้าเราไปเข้าใจผิดในกายภายนอกเมะนะื่อไรเนี่ยเราก็จมมันอยู่ในสังสารวัฏนี่แหละเราเข้าใจผิดในกายภายในก็พ้นพออยู่แล้วยังไปเข้าใจผิดในกายภายนอกก็อีก ฉะนั้นพระองค์จึงทรงสอนว่าให้พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างใช่ไหมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างในยาที่ท่านกล่าวถึงความช่ําชองหรือเปล่าแปลว่าพิจารณาจนช่ําชองแล้วพอพิจารณาถึงความช่ําชองใหม่ๆก็กายในกายภายในแล้วก็กายในกายภายนอกใช่ไหมพิจารณาอย่างนี้ย นัเข้านเข้าพิจารณาทั้งภายในและภายนอกอย่างเร็วอย่างละเอียดได้อย่างถี่ถ้วนได้อย่างชํานาญได้เหมือนคนบางคนเนี่ยรู้หลายๆเรื่องรู้สองเรื่องสามเรื่องพร้อมกันอยู่ยนะศึกษาจะละเอียดเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมองเมื่อไหร่ก็เข้าใจเหมนะืนนั้นฉันท่านจึงใช้ศัพต์อีกว่าอัดชัดต่อไปิทภาวาทั้งภายในทั้งภายนอกย่อมอยู่บ้างเธอมีการพิจารณานเนืองซึ่งกายในรูปกายโดยการกําหนดถืออรยาบทสีของตนตามการของ ผู้อื่นตามการเห็นไหมว่าพิจารณาจนชํานาญเนี่ยก็เรียกพิจารณาเห็นกายทั้งภายในและภายนอกแต่นี้มหาธาพิจารณาจนชํา น, นาญขนาดนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกายภายในก็ไม่เป็นที่ตั้งของสัณหามานะทิฏฐิไม่ว่าจะเป็นกายภายนอกก็ไม่เป็นที่ตั้งของสัณหามานะทิฏฐิไข้ควรทั้งภายในและภายนอกก็ไม่เป็นที่ตั้งของตัณาและทิฏฐิแต่เป็นปัจจัยแก่สติสัมปชัญญะแก่ยานะที่ยิ่งยิ่งขึ้นไป เป็ น, น, น, ป, ป, นปัจจแก่งนามบรรลุผลีเชยานปัจจยาปริฆายานสัมมสนญญาณอุทยาพยาญาณเป็นต้นในที่สุดจริงๆก็พิจรารณาเห็นความแตกดับของกายนั้นตัณหาก็คลายตัวไปตามลําดับในที่สุดจริงๆก็เป็นปัจจัยการแทงตลอดสัจจะและบรรลุได้ถ้าได้อย่างนั้นก็ยิ้มยามแล้วเอ๊ขายไปไม่คลับไม่มาเรียนแล้วแสดงว่าจบแล้วเอางั้นนะ ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าใครถ้าใครศึกษาแล้วหายไปหายไปแสดงว่าท่านผู้นั้นน่ะถึงยานสูงแล้วเขาบอกไม่มาฟังแล้วท่านอาจารย์ยังมัวงงยานต่ำๆอยู่เลยโยมไปไกลแล้วนั่นแต่ท่านห้ามนะท่านท่านห้ามนะว่าอย่าไปพิจารณากายภายนอกในโรงภาพยนตร์เพราะงั้นเดี๋ยวที่ไหนเห็นกายภายนอกไม่ไปช้าเไปงานเลี้ยงดีกว่ามีกายภายนอกเยอะเหลือเกินเลไม่ไม่เห็นแล้วเพราะมีกายเยอะใช่ไหมมีรูปกายเยอะเต็มไปหมด ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ต้องนั้นีแค่ลงไปในลงไปอยู่ตามในบ้านนี่แหลนะเนี่ยดูดีจะปวกเต็มไปหมดรู ป, ปรกายเต็มไปหมดแทนไม่ใช่สัตว์ที่เลีายงก็มีรู ป, ปรกายมันก็มองที่รูปกายทั้งนั้นในทะี่นอนใน่อต่างทั้งหนูทนะั้งสัตว์ทั้งไรเยอะแยะไปหมดมันจะตรู ป, ปรกายทั้งนั้นแต่เราไปบัญหยัดว่ามีหนูเนี่ยยังงรูปกายกำลังวิ่งเนี่ยถ้าไปพิจะได้ที่เจอหน้ากันต้องมันต้องทักทักกันบ่อยๆด้วยนะใช่ั้ม มันต้องคุยกันบ่อยๆเรื่องเนี้ยเจอหน้ากันคุยเรินสติจประธานแบบไหนยาบทบอกไปถึงไหนแล้วเจอหน้ากันต้องถามอย่างนั้นทีอันนี้โดยมากคุยเรื่องอื่นเรื่อยเเนี่ยก็ชำนานเรื่องอื่นอยู่เรื่อยใช่ไหมเจอหน้ากันต้องเอาคําสอนไปถกกันหรือไม่อย่างนั้นก็โทรถึงกันบ้างใช่ไหมเป็นยังไงยาบทเดินชัดหรือยังญาบทนั่งเป็นยังไงใช่ไหมใไหก็ก็ก็คุยกันอย่างนี้ก็ได้น้อยก็รู้จักกันเนี้ยก็ทักกันบ่อยๆ อันนี้โอ้ยกว่าจะคุยกันได้เจ็ดวันกายเยติรูปกายเยก็บอกนี่นะบทว่ากายในกายได้แก่ในรูปกายจริงทีเดียวรูปกายพระองค์ประสงค์ว่ากายะในพระสูตรนี้รูปกายนี่นะพระองค์ใช้สรรกายในพระสูตรนี้เหมือนกายช้างและกายม้าเป็นต้นพระอาจจะว่าเป็นที่รวมของอวัยวะน้อยใหญ่ของธรรมทั้งหลายมีผมผลเป็นต้นคือคำว่ากายในพระสูตรเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่า ในรูปกายเน่ยกายเยเนี่ยกายเยในกายและแก่ในรูปกายเนี่ยรูปกายในพระองค์ประสงค์ว่ากายในสูตรนี้เหมือนกายช้ามกายมาเป็นต้นเป็นที่รวมของอวัยวะน้อยใหญ่ถามว่ากายในที่นี้นะกายเนี่ยเป็นที่รวมของอวัยวะน้อยใหญ่ใช่ไหมกายยักษ์เนี่ยที่เราศึกษากันมาแล้วที่บอกว่ากายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกกายคือม้ามกายคือไตกายคือตับ ไซ่ใหญ่ไส่ร้อยคือกายหมดเลยเป็นที่รวมของกายเนี่ย <c oughs> เป็นที่รวมของผมขนเลปป็บันหนังเนือ้อเอ็นกระดูกนี่เขาเรียกรู ป, ปกายรู ป, ปกายชิวกายเขาอาจว่าเป็นที่รวมของอวัยวะน้อยใหญ่เป็นต้นชั้นใดากายเขาอาจเชื่ว่าเป็นที่เกิดของสิ่งที่น่าเกลียดฉันนั้นเหมือนกันถามว่ารูปกกายยะเนี่ยรูปกายเป็นที่เกิดของสิ่งที่น่าเกลียดเนี่ยยิ่งนักที่บอกว่าย่มอมอาโยเนี่ยเป็นที่เกิดเนี่ย อายะเป็นที่เกิดอะไรที่ยอมเกิดบอกอายะผมเป็นต้นทัานแปลว่าน่าเกลียดด้วยนะสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายโดยประการชนผมคนเล็บฟันจริงจริงน่าเกลียดไหมน่าเกลียดหรืน่าเกลียดแบบโทสะหรือน่าเกลียดแบบปัญญาต้องแยกกันด้วยเนะถ้าน่าเกลียดแบบโทสะก็ร้องผม่ร้องไห้หรือโกรธใช่ไหมต้องน่าเกลียดแบบปัญญาคือมันไม่งามนั่นเองไอแค่ว่าผมงามหรือไม่งามงามไหมถ้าผมงามเรา้องตัดผมนะแล้วก็ไปใส่ แกงเขาไปใส่แกงแล้วก็บอกเนี่ยมันงามใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอ้าคุณจะกินผมนิดหน่อยน้ําผมเนี่ยจะต้มมาอย่างดีเลยอุตส่าห์เลี้ยงผมนี่ไว้ฟอกทุกวันทงความสะอาดทุกวันวันนี้นยุงไม่ให้ตายไร้ไม่ให้จอมเนี่ยเนี่ยวันนี้จะตัดผมของฉันใส่น้ําแล้วต้มให้คุณกินถามว่าเขาจะกินไหมแสดงว่ามันไม่งามจริงจงใช่ไหมยะขนเล็บฟันเป็น้นเอางั้นตัดเล็บมาไปต้ม อ, อนอกนั้นยิ่งน่าเกลียดอยากจะให้ผมกับเล็บยั่งน่าเกลียดขนาดนี้แล้ว ฟันเลยแล้วไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมใช่ถอดฟันออกมาใส่ให้กันยืดในการนี้ยิ่งยิ่งปายใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่ไงอนะจริงๆท่านถึงบอกเป็นที่ประชุมในการเป็นสิ่งของที่น่าเบียดเป็นบอกเกิดก็ได้บทว่าวิหรารติย่อมอยู่บทว่าการแสดงถึงการประกอบอยู่ด้วยยาบทอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาสี่ยาบทนะก็หมายความว่าตัดขาดเสียซึ่งการเบียดเบียนในยาบทหนึ่ง ด้วยยาบทอื่นย่อมนำซึ่งอัจภาพที่ยังที่ยังไม่ตกให้ให้ให้เป็นไปอยู่ตรงนี้ก็หมายความว่าคําว่าอยาบทเนี่ยอยู่ในอยาบทเนี่ยที่บอกย่อมอยู่หรือวิหรารตินี่นะเป็นไปอยู่หรือว่าถ้าบอกว่าในขณะที่นั่งเนี่ยในอยาบทนั่งเนี่ยรูปกายที่เป็นไปในยาบทนั่งอ่ถามว่าใช่นอนไหมใช่ยืนใช่เดินไหมตอนนั้ น, นมันตัดขาดอยาบททั้งหมดหรือยัง ตัดหมดแล้วแล้วรูปรูปประกายที่เป็นไปในยาบทนั่งก็แตกดับในยาบทนั่งรูปประกายที่เป็นไปในยาบทเดินก็แตกดับในยาบทเดินเนะรูปประกายที่เป็นไปในยาบทนอนก็แตกดับในยาบทนอนรูปประกายที่เป็นไปในยาบทยืนก็แตกดับในยาบทยืนมันตัดขาดกันหมดนะมันไม่ได้เชื่อมไปถึงกันนะอย่าลืมนะท่านถ้าพูดถึงยาบทหนึ่งก็ตัดขาดยาบทที่เหลือด้วยแล้วมันดับไปแล้ว ท่านสอนว่าอย่าไปอะไรวอนนะใช้ปัญญาใช้สติแล้วไปใช้ญาตพิจารณ า, าได้แล้วเนี่ยอย่างอย่างคุณยอมนั่งอย่าปวดเดินนั่งตอนนั้นมันหมดไปแล้วนีที่เดินมาก็หมดไปแล้วมันตัดขาดหมดไปแล้วอย่าไปอะไรวอนเลยอดีตหมดไปแล้วให้รู้ตามความปจริงมันกลับไปอีกยิ่เนี่ยมันมาในขนาดเนี้ยเพียงพอแล้วที่ควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วพระพุทธเจ้าเพียงพอแล้วที่ควรจะคลายกำนังมันไม่เที่ยงแบบเนี้ยมันเบียดเบียนอย่างเนี้ยมันบังคับไม่ได้เป็นแบบเนี้ย เดี๋ยวก็หมดเนี้ยยาบทนั่งตรงเนี้ยหายเครี้ยงหมดแล้วแต่ดับในขณะนั่งอยู่ก็แต่ดับอยู่ในขณะนี้หละพอลบไปก็เครี้ยงหมดแล้วก็ตัดขาด ย, ยาบทหนึ่งไปสู่อยาบทหนึ่งยาบทให้ก็หายวับไปแล้วไม่มีเหลือแล้วท่านสอนให้ใครควรพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้เมื่อพูดนี้ใจหายกันดีไหมใจหายก็ตรงที่ว่าออ้ยหมดไปแล้วใช่ไหมไม่มีอยู่แล้วบางทียังชอบเล่าอดีตชีวิตอะไาจมาคเคงเกล่าอู้อ้ยสมัยเป็นเด็กๆอย่างโน้นอย่างนี้ เอาสิ่งที่มันดับไปแล้วมันนั่งหรื้อฟื้นเล่าถ้าเราเลึกชาไา้นี้ต้องนั่งร้องไห้เล่าอดีตตัวเองอยู่สังสารวัฏที่ยาวนานที่เราเกิดมายืนเดินนั่งนอนทํากรรมบางครั้งก็ยืนเดินนั่งนอ น, น, น, น, อนในการทํากรรมดีกรรมชั่วบางครั้งก็ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตบางครั้งก็ลักขโมยบางครั้งก็พืชผิดในกาบางครั้งก็พู ด, พดเทศส่อเสียดคาหยาพืชชื่อบางครั้งก็โลบอยากได้ของเขาพยาบบาทกองไล่เขาเห็นมิชาทิฏฐิ บางครั้งก็ทำอันนั้นดิเรกกรรมนในสงสารวัตต้องคิดดูดิบางครั้งก็ได้ชานสมาบัติถ้าคิดไปไม่นั่งร้องไห้อยู่ดีใช่ไหมยาบทมันสิ่งต่างๆรู ป, ปากายทั้งหลายมันแตกดับไปหมดแล้วแต่มันไม่ได้หมดไปเลยด้วยแกว่ากรรมนั้นมันยังหล่อเลี้ยงไหมกรรมนั้นมันยังมีโอกาสเมาาื่อไรมันก็ให้วิบากให้ผลมันไปถึงบอกว่าออ้ยค้นออกได้ดิใช่ไหมทําทยังไงเลยจะพ้นจากสงสารวัตรนั่นจพิจารณาอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยสอนสาวกบรรลุ พระองค์ก็ปรีถิพานไปไม่รู้เท่าไหรแล้วเราตกค้างได้ยังไงอย่างนี้โดยในโดยในที่โดยในเนี้ยนะนามัจจภาพที่เป็นไปอยู่ที่โดยในที่สามอ่าในที่สามนะในที่สองหมดแล้วในที่สามกำหนดในรู ป, ปรกายของตนตามการในกายของผู้อื่นตามการปรีว่าไงเนี่ยพิจารณาถึงกายของตนเองตามการของผู้อื่นตามการ อารมณ์ที่กระทบทั้งภายในและภายนอกพร้อมกันไม่มีก็หมายความว่าในขณะที่พิจารณากายของตนเองในขณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ได้พิจารณากายของบุคคลอื่นใช่ไหมทีนี้ในขณะที่พิจารณากายของบุคคลอื่นในขณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ได้พิจารณากายของตนเองนี่นะ ฉะนั้นการกระทบทั้งภายในทั้งภายนอกพร้อมกันไม่มีแต่ว่าท่านกล่าวการสัญจรกรรมฐานจนคล่องแคล่วแล้วแล้วเราเล่าในคำว่าอชัตชาพหิธาวานี้ก็หมายความว่าในการพิจารณากายของตนตามการกายของผู้อื่นตามการนั้นน่ะท่านเน้นถึงบุคคลที่เจริญกรรมฐานจนคล่องแคล่วแล้วซึ่งไม่ใช่เล่าแล้วใช่ไหมแต่เราต้องศึกษาไว้ไหมต้องศึกษาไว้เวลาไปเจริญแล้วจะได้ไม่สงสยัยถ้าเจริญของตนเองจนชํานาญใช่ไหม ให้คนรู ป, ปกายของตนเองในขณะยืนเดินนั่งนอนจนชํานาญจปนเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกดทั้งนี้นะพิจารณาอย่างต่อเนื่องของผู้อื่นก็เหมือนกันอย่างเนี้ยจนชํานาญทั้งของตนเองของผู้อื่นจนชํานาญแบบเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าคนที่พิจารณาจะเป็นวสีจนชํานาญแล้วนั้นคนที่เขาจะเจริญกรรมาฐานที่เขาได้บรรู้เนี่ยเขาต้องชํานาญอย่างนี้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่อยู่ๆก็ได้ ได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็พอบรรลุไม่ใช่ต้องชำนาญขนาดนั้นเลยเข ย, ย่าไม่ปาเอานี้ว่าเรียนหนังสือเนี่ยถ้าท่องอัคระพยัญชนะอะไรไม่ได้เลยเขาจะให้เรียนชั้นสูงๆไหมเขาไม่ให้หรอกเาก็ปรับให้เรียนชั้นแรกๆอยู่นั่นแหละอันนี้เหมือนกันการเจริญกรรมาฐานไม่ใช่เราไปเข้าใจผิดกันมานยกว่า การเจริญกรรมฐานนี่เป็นเรื่องไม่ต้องไปไข้ควนมากรู้นิดเดียวก็พอต้องไปดูในอัตถกาลนี่ดีกาทั้งนว่างเลยดูไหคนที่ไม่แตกฉานในปริยัติไม่สามารถจะทํมมาสมัสนิยามให้เกิดเลยจบไม่เนี้ยงานนี้จบเลยคือถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเอียบทบับเนี่ยให้สองแท้เนี่ยจะปคาว่าแตกฉา น, นหมายว่าจะเจริญบับไหนต้องเข้าใจให้ชัดถ้าไม่เข้าใจในหลักปริยัติไหนไม่มีปริยัติญาณไม่มีอนุมาณญาณให้ชัดเนี่ยสมั ส, มมสนิยามไม่ต้องพูดถึง ไม่ได้แล้วพอไม่ได้สัมมัส น, นัญญาณอุทิยาพยายามนาทีนวายานจบแล้วบรรลุไม่ได้นี่โดยตรงเลยพอไปเจออัตกถาดีกาพูดอย่างเงี้ย จ, จะว่ายังไงจะว่ายังไงอันนี้หลักฐานทั้งบาลีลองไปนั่งลองอ่านดูทีเดี๋ยวเจาะต่อไปอ่านให้ฟังตอนนี้เามาแปลเป็นไทยพักพูดให้ฟังแล้วหนูนี่นี่นะา อ, อนนาจารย์ะเล่าให้ฟังนะ และเล่าเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอเวลาอาจจะมานั่งศึกษากันกับทบารานดูดูบาลีดูคําแปลดูบาลีดูเทียตัวเนะยยากกว่าพวกเราเยอะอีกถึงร้อยเท่าบางทีไม่เข้าใจก็ต้องไปนั่งกาหนดทำความรู้สึกกาหนดไปพิจารณาแล้วกลับมาก็มานั่งคุยกัแะนะแล้วก็ไปกําหนดไม่ใช่งา่ายถ้ะยอมลําบากลำบนเนี่ยไม่ใช่งา่าย ไม่ใช่ง่ายๆเลยบางทีบางทีบางทีตัวส่างเข้าอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยทำไมเราบุญน้อยขนาดเนี้ใช่ไหมเอาแยกวงกันปะ ต, ต่างคนต่างก็ไปไข้ควรไปพิจารณาก็ได้เวลากลับมาเข้าใจนะเดี๋ยวตรงนี้ไป็ น, นออธิบายเอาตรงนั้นมาเชื่อมตรงนี้มาเชื่อมอ้ไม่ใช่ง่ายาฉะนั้นฉะนั้นก็ว่าทำไมนึกในใจคะแนงพวกเราเนี่ยทําบุญมาดีไม่ต้องควนคว้า ต้องไปถามนะถามในเรื่องที่เข้าใจนะในสมัยในไปดูในวิสุทธิมรารเขาบอกว่าอยู่ในสำนักของครูเข้าใจทันทีเลยเขาบอกว่าคนมีบุญก็ได้กัญญาณมิตรใช่ไหมได้อยู่ในสำนักของครูที่บูทรงพระตไตรปิฎกธรรมฐาฤดีกาบุคคลเหล่านี้ก็ก็เป็นบุญของเขาไปแต่คนที่ไม่มีบุญนี่ต้องบอกอาตมาที่บุญน้อย ไม่นั่งงานวัจันทร์ก็ในี้ลบากพ่ิงนะพวกเราไม่มีหน้าก็ริงโยกที่โยกฟังอาจารย์มานานนี่แหละนี่แหละเขาเรียกเรียนแล้วนี่แหละเรียนแล้วนี่แหละคือการเรียนแล้วนี่แหละเนี่ยคือการเรียนแล้วเนี่ยก็จะก็อย่างที่บอกไงบอกว่าการปฏิบัติเป็นภาวนากุญส่การแสดงธรรมนั้นน่ะถ้าแสดงถูกเป็นภาวนาไหมการฟังธรรมถ้าฟังเป็นฟังถูก ก็เป็นภาวานาใหมา่นั้นทั้งคู่แสดงทั้งคู่ฟังนั่นคือกําลังปฏิบัติเป็นอยู่แล้วทีนี้เมื่อฟังเบสเส็จแล้วเนี่ยก็ไข่ควรตามภูมิปัญญาข้าแต่ละบุคคลที่เราฟังกันไปเนี่ยแล้วก็ไปไข่ควรไปพิจารณาอันนั้นก็เป็นการเป็นการปฏิบัติที่ถาวรเข้าสู่ในในภาวานากุญศรทีนี้ต้งบอกว่าถ้าเราจะปฏิบัติในบับไหนต้องชํานาญในบับนั้นถ้าไม่ชํานาญในบับนั้นเนี่ยวิปัสสนาญางขึ้นไม่ได้ ก็คือว่าปฏิบัติไปไม่ได้เพราะงั้นเด้อมันจอดแล้วเ้าเรียกว่าอยู่อยู่ไม่ไม่อยู่ในสำแน่งของครูนี่จบการปฏิบัตินี่นะจบแล้วเพราะมันเปรไปรุ้น น, น, น, นิดเดียวได้ที่ไหนถ้าจะปฏิบัติยาบทก็ต้องฉลาดในยาบททุกอย่างถ้าจะปฏิบัติในอาณาปานะก็ต้องฉลาดในลมหายใจเข้าออกทุกอย่างถ้าจะปฏิบัติในสัมปชัญญะเป็นต้นก็ต้องฉลาดในสัมปชัญญะใช่ไหมยะ ถ้ารู้เรื่องนั้นไม่ตลอดสายแล้วจะปฏิบัติยังไงคุณยอมจะทําเรื่องธุรกิจที่ดินรู้เพียงแค่ที่ดินเนี่ยไม่รู้กฎหมายของที่ดินเล ย, เยจะไปทําได้ยังไงแล้วไม่รู้กลุ่มบุคคลที่จะทําการค้าที่ดินเลยเนี่ยจะทํำยังไงไม่ก็ต้องทุกเรื่องทางโลกยังต้องอย่างนั้นแล้วทางธรรมี่ยิง่งกว่านั้นอีกนั้นมันก็แค่มันก็มันก็เป็นไปในะที่ท่านกล่าวไว้ไม่ใช่ว่าผิดนะท่านกล่าวถูกเสียเลยแต่เราพยายามจะไปบอกว่าเราต้องการรู้น้อ ย, อยแต่ต้องการปฏิบัติเร็ว มันก็ต้องมีข้อมแม้บอกว่าเอาละเราจะวิ่งไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยแต่เราต้องการเราจะซื้อของยี่สิบอย่างแต่เราต้องการรู้เพียงอย่างเดียวเราจะซื้อถูกไหมเนี่ยมันก็ได้แค่อย่างเดียวกลับมามันก็ต้องกลับไปใหม่เพราะมันได้อย่างเดียวพ่อแม่ก็ต้องบอกไมคุณไปซื้ออีกครั้งหนึ่งก็วิ่งไปอีกแล้วมาฟังอีกครั้งหนึ่งก็วิ่งกว่าจไปถึงตลาดก็ได้ไม่อย่างนึียวอา้าวยังไม่พออีกมันยี่สิบห้าอย่างนี่คุณได้สองอย่างก็ต้องไปจนครบนั่นแหละ ถึงคุณจะรู้นี่ก็เหมือนกันถึงอย่างไรเนี่ยต่อให้ใครปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่นะจะรีบขนาดไหนก็แล้วแต่ก็หกหมดก็ต้องมาเริ่มต้นนัง่งศึกษากันเนี้ยในสังสารวัตรข้างหน้าคุณก็จะต้องกลับมาเรียนใหม่ว่าคุณเรียนไม่ดีคุณจะเรียนชาตินี้หรือเอาไว้ชาติหน้า